ได้สวดพาหุงบทถวายพรพาเนี่ยเป็นบทที่สําคัญสมัยที่อาตมาหนุ่มๆเนี่ยอาตมาก็สวดมนต์อยู่สองบทชอบจริงก็คือบทถวายพรพาแล้วก็บทชินบรรชนถือว่าเป็นที่พึ่งเลยถือว่าเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนเราต้องมีที่พึ่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาตมาสวดพาหุงได้ตั้งแต่สมัยอายุยี่บกว่าเ ต, ต้นแล้วชินบรรชนเนี่ยเริ่มสวดอายุยี่สิบกว่าก่อนนอน เพรเหตุนี้จึงได้ชักนําให้เรามาหาธรรมะมาบวชเนี่ยสมเด็จวะละัลคังองค์หนึ่งก็หลายสิบล้านสมเด็จพุทธจารย์โตก็อาศัยคาถาชิบัญชรเนี่ยสวดอัดลงไปเราคงไม่มีเงินไปซื้อวะละัลคังบูชาอาศัยคาถาชิบัญชรนนี่แหละยามว่างอาตมาก็ไปสวดชิบัญชรที่วัละคังบ่อยๆหรือวัดอินเนี่ยบางครั้งก้าวจบช่วงไหนนั่งรถโชเฟอร์รถขับหวัดเสียวสวิสวาร์ดเราก็สวดชิบัญชรในใจตลอดไปที่พึ่ง ทุกครั้งที่มีเรื่องเดือดร้อนแล้วสวจชีพบังชรวันนี้อาตมาก็จะเล่าบางส่วนของสมเด็จพระจานทร์โตพระบังสีแห่งวัดลคังคนทั่วไปมองท่านว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีพิหารรู้สึกสมดเด็จโตจะเป็นพระอัศจรรย์หนึ่งของประเทศไทยนะที่คนนับถือมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่บางแง่า บ, างบางมุมเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับอารมณ์ขำคนจะรู้กันน้อยถ้าจะมีมีการปกครองพระที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมิวบาย สอนรำโยมบางครั้งก็เข้าไปสอนในหลวงก็มีสมเด็จพระจารย์โตเนี่ยคือสนิทกับในหลวงรัชกาลที่สี่จะเข้าวังบ่อยๆองค์ในหลวงก็โปวดมากจะบางครั้งสมเด็จโตขัดใจในหลวงในหลวงก็ยอมให้รูปหนึ่งถ้าเป็นคนอื่นเน่ยขัดใจไม่ได้นะสิ่งที่ทําให้สมเด็จโตเนี่ยรู้สึกอั ด, อดใจ ก, ก็คือถ้าเป็นครูบาอาจารย์เวลาท่านพูดอะไรพระลูกวัดเนี่ยก็จะเห็นด้วยดีงามด้วยเอออ้ด้วย ก็คือประจบนั่นแหละคือไม่จริงใจบางครั้งคือจบไปท่านรักวันหนึ่งก็มีคนเอาแกงร้อนวุ้นเส้นชามใหญ่มาถวายท่านจึงเห็นว่าวันนี้เนี่จะได้ออกอุบายสอนรำพาเนนในวัดจึงให้ลูกศิษย์เนี่ยนํากระทาใบบัวใบใหญ่มาแล้วก็เอาน้ําต้มจนเดือดแล้วก็นําแกงวุ้เส้นชามใหญ่เนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ให้เด็กวัดเนี่ยไปหาปักบุ้งแถวแถวคลองอะ่ะ ข้างวัดอ่ะแล้วก็มาหั่นเป็นป้องๆแล้วก็นำผักบุ้งล้างสะอาดแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะใบใหญ่แล้วก็นำอาหารที่เหลือที่ฉันตอนเช้าเนี่ยมาเทรวมลงไปตอนนี้กระทะนี้ก็เต็มไปด้วยอาหารที่ไม่น่ากินเลยสมเด็จโตท่านก็ให้เป่าประกาศไปบอกว่าวันนี้ตอนเพลนให้พระเนรทุกรูปเนี่ยนำปิ่นโตถ้วยชามาใส่อาหารที่ท่านทาเนี่ยเอาไปฉันกัน แล้วก็ตอกย้ําว่าสมเด็จโตทําเองแล้ววันนี้แกงร้อนสมเด็จถึงเวลาพระก็นำอาหารไปทานกันขั้นถึงเวลาตอนเย็นก็ได้เวลาทำวัดสวดมนต์ที่อุโบสถตัวสมเด็จโตเองก็ไปยืนดักที่หน้าประตูโบสถ์นั่นแหละพระเนนผ่านมาถ้ากระถามว่าแกงร้อนของฉันเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรบ้างพระก็ตอบอร่อยดีครับทุกรูปเลยอร่อยดีหมดไม่มีใครบอกวไม่อร่อย ถามทีลาคนนะจนมาถึงหลวงตาอยู่ท่านหนึ่งหลวงตาท่านเนี่ยบวชมานานหลายสิบพรรษาอายุมากแล้วสมเด็จโตถ้าก็ถามว่าหัวตาแกงที่ฉันทำเนี่ยรสชาติเป็นยังไงจ๊ะหลวงตาก็ตอบว่าไม่ไหวเลยพระเดชพระคุณท่านกระผมเทให้หมาหมามันยังไม่กินเลยสมเด็โตก็ยกมือสาทุ บอขัวาตาเนี่ยพูดความจริงมีศีลดีแท้น่าเยี่ยงอย่างหลังจากข้าวันนั้นสวดบนธรรมวาสเสร็จแล้วสมเด็จโตท่านก็พูดธรรมะอบรมพระเนในวัดนั่นแหละให้ระวังเรื่องการโกหกการมุสาเป็นพระต้องมีศีลพูดอะไรก็ต้องพูดตามความเป็นจริงแล้วก็ยกเอาหลวงตาผู้เท่านี่แหละเป็นแบบอย่างของการไม่โกหกเพรามหางตามญาเจ้า ว, วาดเพื่อประจบเนี่ยบางทีก็ไม่ถูกต้อง เห็นอะไรไม่ถูกต้องแล้วคัดค้านอย่างตัวธรรมาเนี่ยก็ขัดใจอาจารย์ไปสารบ่อยๆเราทักท้วงได้ถ้าท่านเปิดกว้างแต่ถ้าปฏิเดชการนี่ก็ทักท้วงไม่ได้ใครพูดอะไรก็ต้องคือคิดแล้วทํางทำตามหมดแหละอย่างบางวัดเนี่ยเจ้าวัดเนี่ยออกคาสั่งก็คือคําสั่งนะลูกวัดไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นไม่มีสิทธิ์โต้ยอย่างใดทั้งสิน้นอันนี้ก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ผาสุกอยู่กันแบบเกงกันอันนี้สมเด็จโตก็เป็นแบบอย่างในการปกครองวัดท่านเปิดกว้างเปิดใจกว้างท่านเป็นคนที่ มีเมตตามากแล้วก็ไม่ถือยศถือศักดิ์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพาะที่วัดอื่นแหละพระวัชนสงครามชื่อว่าพระเทศพระเทศเนี่ยก็ไป ม, มีเรื่องขัดแย้งกับพระครูดมชานเจ้า ว, วาดจนเกิดละการล้อนลุ่มพ้าเหลืองคิ้จักรอสึกหาความสงบใจไม่ได้เลยจนได้ยินกิจศัก์ของสมเด็บโตเพราะมีปัญญามากคงจะขี้ขายปัญหาหท่านได้ท่านก็เลยนั่งเหลือข้ามฟ้ามาที่วัดลักัง วัชนะสงครามกับวัลลังค์ก็อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ข้ามฟ้าก็ถึงใครไปถึงก็เข้าไปกราบสมเด็จโตบอกว่าจะมาขอพึ่งคือหนีร้อดพึ่งเย็นมาขอพั ก, กวัลลังค์สักระยะหนึ่งสมเด็จโตก็พูดคิดว่าถ้าอยากสบายก็ทําตัวอย่างหมาสิจ้าประเทศงงเพราะยังไม่ได้เล่าอะไรให้สมเด็จโต ฟ, ฟังเลยท่านรู้ได้ไงแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําตัวอย่างหมาคืออะไรสมเด็จโตก็อธิบายว่า หมาเนี่ยเวลามันกัดกันเนี่ยไอตัวที่แพ้มันนอนอยู่ข้างล่างปล่อยให้ตัวที่ชนะเนี่ยคอมอยู่แ ส, แสดงอํานาจสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เลิกกันไม่กัดกันอยู่ก็ยังผาสุกได้พระเทศจีนเข้าใจสมเด็จโตก็บอกว่าท่านเนี่ยทะเลาะแล้วมีเรื่องขัดแย้งกับพระกูดมชานมาใช่ไหมพระเทศงงหนักเขาอีกเพราะรู้ได้ยงไงยังไม่ได้เล่าเลยก็ตอบว่าใช่สมเด็จท่านก็ พูดให้พระเทศเที่รู้จักยอมแล้วก็เพราะเราเป็นพระผู้น้อยบางทีเราก็ต้องยอมพระที่ปรรษามากกว่าไม่ให้ขัดแย้งกันท่านก็ได้แง่คิดแล้วก็ตาสว่างจึงลากลับไปวัชรสงครามไม่ได้อยู่วัลขังตั้งแต่นั้นมาท่านก็มีความสุขไม่ทะเลาะกับพระกูดมชานแล้วเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ยืนอยัดยอมยอมกันไปก็อยู่กันได้อันนี้ก็เป็นแบบอย่างในความเมตตาของท่าน แม้แต่์ท่านก็เมตตามีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนนิมนต์ท่านไปผู้ธรรมะที่สุพรรณสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางต้องไปได้วยเรืออย่างเดียวบางทีใช้เวลาหลายวันกว่าจะถึงนะเดินทางแบบลําบากอะเรือก็ต้องใช้คนพายไม่มีเครื่องยนต์หรอกเรือก็แล่นมาใกล้บ้านงานพออิญเป็นทางทางอ้อมสมเบตโตก็ขึ้นบบ ก, ก่อนแล้วบอกให้เรือเนี่ยไปบ้านงานก่อน เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านงานระหว่างทางเดินพระเอิญถ้าไปพบนกกระสาตัวหนึง่งที่ขาติดบ่วงแล้วอยู่สมดเด็จโตก็เข้าไปแกะบ่วงแล้วปล่อยนกกระสาไปแล้วตัวท่านก็เอาขานะแย่เข้าไปในบ่วงแล้วแทนไม่เป็นไหนคือเอาตัวจองจำแทนนกกระสาลูกศิษย์ค้าถึงบ้านงานแล้วรอต้องพักใหญ่สมดเด็จโตก็ไม่มาทีจึงออกติดตามกันมาเห็นท่านติดแล้วอยู่ แค่บอกยังไปไม่ได้หรอกจะต้องเคลียกับเจ้าของแล้วก่อนถ้าพักเจ้าของแล้วก็มาท่านก็เคลียกันเจ้าขอโทษขอโพยที่ปล่อยนกกระสาไปแล้วไม่แหวเอาเรื่องต่อ ก, กันเสร็จแล้วท่านก็ให้พรแล้วก็สอนธรรมะแก่พานที่ถำบวงแล้วแหละจนสามารถเปลี่ยนทิฏฐิให้กลายเป็นคนมีเมตตาหล่อสัตว์ได้แล้วท่านก็ไปเทศในบ้านงานต่อไปจะสังเกต ว, ว่าท่านน่ยมีชีวิตที่ ไม่ค่อยเหมือนใครนะแล้วทำอะไรก็แปลกๆไม่มีใครเหมือนเหมือนกันแต่การพูดทรามะกท่านก็นได้ผลนะสามารถกลับใจคนได้ท่านเป็นคนที่มีมสติปัญญามากมีอยู่ครั้งหนึ่งบาดหลวงแล้วก็พวงพิชญ์นเนลี่เนี่ยได้เดินทางมาที่ประเทศไทยมาพักอยู่ที่กรุงเทพโดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์กลุ่มคณะนี้ก็ตั้งใจเรียนศึกษาภาษาไทยอพอต้องพูดกับคนไทย ก็ได้ยินชาวบ้านเน่ยโจดจันะ แ, แต่เรื่องสมเด็จโตก็มีปัญญามากขันมีโอกาสคณะบาตรหลวงก็ดั่งเรือมาที่วัดละคังมาพูดมาคุยพูดคุยกับท่านสมเด็จโตก็ต้อนรับอย่างดีคณะบัตรหลวงก็ทราบสูงใจมากคุยกับท่านแล้วคือท่านลุ่มลึกในธรรมแต่กูบาตรหลวงก็ยังมีความรู้สึกว่าสมาเด็จโตเนี่ยคงเก่งเนยเพาะธรรมะเรื่องทางโลกเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกบวชตั้งแต่ยังเนรด้วยซ้ำ เลยไม่ครคือบอกว่าท่านคงไม่เก่งทางโลกสโมเร็จโตก็บอกหรือทางโลกฉันไม่รู้เรื่องอะไรจ๊ะบาดหลวงก็บอกอย่างเช่นสันถายของโลกประเทศไทยเนี่ยยังเชื่อว่าโลกยังแบนอยู่แถมมีปลาโนนหนุนด้วยที่อเมริกาที่ยุโรปเนี่ยทุกคนพิสูจน์แล้วว่าโลกกลมสเมเวตโตก็ยิ้มบอกว่าฉันเนี่ยรู้ยิ่งกว่านั้นอีกรู้ว่าศูนย์กลางของโลกอยู่ตรงไหน กุมาทหลวงฟังแล้วอึ้งเลยสมเด็จโตก็อาส า, าจะพาไปดูศูนย์กลางของโลกแล้วก็เดินลงกุฏิไปที่พื้นดินแหละใช้แม่เท้าเนี่ยชี้ไปที่แผ่นดินบ อ, อกตรงนี้แหละคือศูนย์กลางของโลกเล่นเอาพวกกุมบาทหลวงตาค้างเลยคือไม่เชื่อสมเด็โตก็พูดต่อว่าอ้าวไงบอกว่าโลกกลมไงถ้าโลกกลมเนี่ยก็ให้ขีดวัดจุดนี้อ้อมไปอ้อมอ้อมโลกไปแล้วก็มาสู่จุดตรงที่แม่เท้าชี้เนี่ย ตรงนี้คือคือศูนย์กลางของโลกก็เล่นเอากลุ่มาหรหัวเราะกันชอบใจเพราะก็เป็นเรื่องจริงไแหละเพราะตรงไหนก็เป็นศูนย์กลางของโลกหมดถ้าโลกกลมนะอย่างในวัดเรานี่ก็เป็นศูนย์กลางโลกถ้ามองแบบสมเด็จโตอ่ะอันนี้เป็นไหยพริบ ป, ปฏิพาณ์ของท่านท่านก็ไม่ถือเนื้อถือตัวบิยศเป็นถึงสมเด็จพุทธาจาร์เนี่ยท่านในชอบทําตัวเป็นเป็นคนเจ้าเรือเป็นพระลูกวัดมากกว่ามีอยู่ครั้งหนึง่งท่านไปที่โนน ขากลับเนี่ยคนเจ้าเรือผัวเมียก็ทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันบงเบงบงเบงไป ห, หมดอ่ะสมเด็จโตก็บอกให้สองคนเนี่ยมานั่งสงบสติอารมณ์แล้วท่านก็อาสาพายเรือกลับอะะารักงเองเรื่องที่คนเล่าลือกันมากก็คนนิมนต์ท่านไปพุทธมะที่สวนแห่งหนึ่งของเขตราชบวรนณะเพลินช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงหน้าแล้งเรือต้องเข้าของเล็กไปแล้วก็ติดอ่ะเรือไม่สามารถไปต่อได้ ลูกศิษย์ก็ไปช่วยเข็นเข็ น, ขนก็ยังไม่ไปสมเด็จโตก็ถลกอย่บอรแล้วก็ลงไปช่วยเข็นด้วยชาวบ้านบริเวณนั้นเห็นสมเด็จโตเข็นเรือจึงร้องตะโกนว่าสมเด็จโตเข็นเรือโว้ยสมเด็จโตเห็นเรือโวยตะโกนลั่นสมเด็จโตก็บอกฉันไม่ใช่สมเด็จนะจ๊ะฉันชื่อขัวโตจ้าสมเด็จนะ่ะอยู่บนเรือแล้วท่านก็ชี้ไปที่เรือะเพราะท่านอาภายยศไปด้วย ชาวบ้านก็มาช่วยท่านเขียนเรือจนเป็นถึงบ้านงานจนได้ท่านเป็นคนที่ปล่อยวางไม่ยึดถือยศถาบรรดาศักดิ์เวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนท่านก็ไปหมดเพราะท่านเป็นคนที่พูดธรรมะเก่งเทศได้ไพเราะ ล, ลุ่มลึกและลึกซึ้งเสียงก็เล่าลือกันไปคนก็นิมนต์พระไปเทศอยู่เสมอเสมอ เสียนี้ล่ำลือไปถึงที่อำเภออภวะเศรษฐีใหญ่ซึงรวยมากของอำเภออภวะเนี่ยก็สนใจจึงนิมนต์ให้ท่านเนี่ยมาเทศที่บ้านสมเด็จโตก็รับนิมนต์เศรษฐีคนนี้เป็นคนที่ใจบุญแต่ก็เป็นคนที่ติดยศถาบรรดาศักดิ์หรือรักษาการมีหน้ามีตามากจึงเป่าประกาศไปทั่วอำเภออภวะแล้วก็คาดการว่าสมเด็โตเนี่ยจะต้องมาแบบยิ่งใหญ่เลย คงมาด้วยเรือพระราชทานของรัชกาลที่สองมีลูกศิษย์ลูกหามากันเพียบทางเศรษฐีก็เตรียมการเทศแล้วก็ไทยธรรมไว้มากมายเลยแล้วก็มองเรือเมื่ อ, อไหร่สมเด็จโตจะมาทีขณะนั้นก็มีเรือลำเล็กๆลํานึงแล่นเข้ามาในคุ้งน้ําเขตบ้านเศรษฐีเศรษฐีก็ไม่สนใจอะไรคิดว่าคงไม่ใช่สมเด็จโตหรอกพอเรือเข้ามา ใ, ใกล้เพื่อเศรษฐีจําได้ก็อุทานอย่างดีใจว่า สมเด็จโตมาแล้วสมเด็จโตมาแล้วเศรษฐีรู้ว่าสมเด็จโตมาเนี่ยผิดหวังอย่างแรงเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นไปตังที่คิดเลยศรัทธาที่มีต่อสมเด็จโตเนี่ยหายไปหมดสิน้นแต่ก็ต้องเชื้อเชื่อสมเด็จโตเนี่ยไปพักผ่อเพราะเดินทางมาไกลเพื่อจะได้เทศและตัวเศรษฐีเองก็ไปแอบแกะเครื่องถวายทายาทานที่เตรียมไว้อะออกต้องหลายส่วนพื้เสียดายเพราะเห็นว่าสมเด็จโตเนี่ยไม่คู่ควรที่จะได้ของ ท, ที่ถวายมากมายขนาดนั้น แล้วก็ตัวเองก็ไม่มีอารมณ์เลยฟังทำก็นั่งพักในห้องแล้วแหละคัถึงเวลาแสดงธรรมสมเด็จโตก็ขึ้นธรรมาทิลวก็ผู้ไปเรื่อยโจนเศรษฐีเนี่ยทนไม่ไหวเพราะสมเด็จโตเนี่ยพู้ธรรมาแบบลุ่มลึกเล้าใจมีลาอัธรสตลอดโจนเศรษฐีต้องมาฟังข้างนอกเนี่ยจนจบคันจบแล้วก็กลับเข้าไปในห้องไปเอาของที่ตัวเองเอาออกเนี่ยมาใส่เหมือนเดิมแล้วก็นํอาอาถวายสมเด็จโตหลังจากรับของ และให้พอแล้วก็บอกให้เศรษฐีเนี่ยนําของเหล่านี้ไปแจกคนยากคนจนที่อยู่ในอําเภออัมพวาออกที่มาเนี่ยไม่ได้ต้องการรับการะอะไรต้องการมาแสดงธรรมโปรเศรษฐีเฉยๆแล้วก็บอกว่าเศรษฐีเนี่ยเป็นคนใจบุญอยู่แล้วแต่ที่ขาดคือศรัทธายังติดยศถาบรรดาศักดิ์อยู่ก็ผู้จนเศรษฐีได้เปรียบทิฐิเห็นดีเห็นงามด้วยแล้วก็ลากลับเรื่องนี้ก็เป็นที่เล่าลือกันมา อยู่ครั้งหนึ่งท่านไปไปแสงธรรมเปิดวัดใหม่วัดใหม่วัดนี้ก็ชื่อว่าวัดใหม่หญ่แฟงใหญ่แฟงเนี่ยเป็นแม่เล้าแล้วก็ร่ํารวยจากน้าพักน้าแรงเนี่ยของโสพินีหรือหรือบรรดาเหล่าลูกๆเนี่ยแหละพอแก่ตัวขึ้นมาก็มีความสึกสํานึกผิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคงเป็นบาปจึงสร้างวัดเพื่อไทยบาปตัวเองท่านสร้างวัดเสร็จก็ตั้งชื่อว่าวัดใหม่หญ่แฝง แล้วกนิมนสมเด็จโตมาแทงทำสมเด็จโตก็พูดธรรมะไปเรื่อยๆชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษแล้วมาถึงตอนหนึง่งก็พูดว่ายายแฟงเนี่ยได้บุญก็ไม่เต็มที่ได้บุญไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะเป็นเงินที่ได้มาด้วยความไม่บริสุทธิ์เป็นเงินของคนอื่นเช่นถ้าบุญหนึ่งบาทยายแฟงก็จะได้เฟื่องหรือสะดือหนึ่งเท่านั้นนี่ว่ากันอย่างเกรงใจนะ คือสมเปรโตเอกชื่อยาแฟงด้วยทำกลางแขกเหลือมากมายยายแฟงฟังแล้วโกรธสมเ็รโตมากเลยโกรธแต่ตอนหลังคิดคิดมาได้ก็เห็นว่าจริงอย่างที่สมเ็รโตพูดก็เลยเล ย, เลยหายโกรธแล้ววัดเนี้ตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดคดิกาผลเขาอยู่เขตป้อมปราบอะทุกวันนี้ก็ยังอยู่เป็นวัดที่เกิดจากน้ำพระกำแรของโสพีนีสมเ็จโตท่านบางครั้งถ้าเห็นอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยท่านจะทักท้วง แล้วกล้าพูดความจริงทำอะได้ขอยตสังคมไม่เลือกเออด้วยอย่างไปแสดงธรรมให้องค์ในหลวงฟังเนี่ยองค์ในหลวงรัชกาลที่สนะี่แลมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าจอมจะประสูติโอรสในหลวงก็อยากให้สมเด็จโตเนี่ยพูดธรรมะเลิกเ ร, เร็วเพราะห่วงเจ้าจอมพระงการไปดูไปดูโอรสด้วยแต่สมเด็จโตก็พูดธรรมะซะยืดยาวเลยไม่ยอมเลิกองค์ในหลวงนั่งฟังไปก็ร้อนรุ่มไปครั้นถึงเวลา มีคนบอกสัญญาณว่าเจ้าจอปรูตรแล้วสมเด็จโตก็เลิกทันทีเลยและต่อมาวันนี้ในหลวงอารมณ์ดีอยากฟังธรรมะนานานเป็นพิเศษสมเด็จโตท่านพูทธรรมะพอตั้งนะโมเสสสามจบเสร็จท่านก็บอกทำมหมวดไดๆดๆมหาปพิธก็รู้หมดแล้วเอวังก็มีด้วยประกายชนนี้เขาจบเอาดื้อๆจนในหลวงว่าว่าพราเหตุไดวันก่อนเนี่ยให้ให้พุทธรรมาสั้นๆ ทำไมถึงพูดเสยาววันนี้ตั้งใจจะฟังยาวๆกับพูดสั้นๆสมเด็จโตก็บอกว่าวันก่อนเนี่ยเห็นว่ามหาวิพิตรเนี่ยร้อนรุ่มจะต้องอาศัยธรรมะเยอะๆเพื่อสงบจิตใจแต่มาครั้งนี้ ม, ามหาวิพิตรอารมณ์ดีคือไม่จําเป็นจะ ต, ต้องพูดธรรมะยาวๆในหลวงก็ชอบใจตอนหลังบิพระรูปอื่นเรียนแบบเท่สั้นๆก็โดนในหลวงน่ยกิ้วแล้วก็ตําหนี่เอาว่าท่านเน่ยยอมเฉพาะสมเด็จโตท่านเดียวเท่านั้น ท่านอื่นจะใช้แบบนี้ไม่ได้แล้วก็มีหลายเรื่องที่เป็นตํานานสมเด็จพระจันทร์โตเคยมีคนออกมาสร้างหนังชื่อว่าขัวโตอภิ อ, อ ม, มะตะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่มาเขาจำชื่อไปได้นะเพราะเไอ้คนสร้างมาตั้งชื่อยาวเหยียดเรียกยากด้วยผลปรเกิดว่าหนังเจ๊งเข้าโรงหนังไม่กี่วันก็ออกขาดทุนหลายสิบล้านจนผู้สร้างเนี่ยเลิกนับถือพุทธศาสนาเลยเพราะเรื่องนี้เขาตั้งใจทํามาก พอหนังเจ๊งเนี่ยอัตมาเนี่ยตั้งใจว่าจะดูซีดีก็เลยอดดูไปด้วยเลยเพราะว่าซีดีเขาก็เลิกผลิตเรื่องนี้มีเศษฐาสิฉายาเนี่ยแสดงเป็นสมเด็จโตหรือขัวโตที่อาจารย์ไปสารไปพูดบ่อยๆนั่นแหละพอบางครั้งพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ช่วยเราในด้านวัตถุมงคล น, นะบางทีนับถือแล้วบางทีเกิดไฟไหม้ก็มีไฟไหม้การพัดภาา ก, การสูญเสียงต่างเนี่ยพระพุทธศาสนาไม่ได้ช่วยหรอก สีช่วยก็คือจิตใจให้ปล่อยวางให้เระวางสิ่สงหล้รายๆที่เกิดขึ้นได้อันนี้ต่างหากแต่บางคนถ้าเข้าใจผิดหวังว่าพุทธศาสนาจะต้องเป็นอย่างงน้นเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องผิดหวังแน่เพราะบางครั้งคนที่ปลุกเสกพระเครื่องก็ยังตายเลยทุกคนตายหมดไม่ว่าจะเป็นกีจีอาจารย์ดังๆแท่ไหนไม่มีใครมีชีวิตอยู่อมาตะได้เลยแม้แต่คนเดียวสีพึ่งได้จริงก็คือธรรมะสิ่งนอกตัวพึ่งไม่ได้แต่ก็ทําให้สบายใจได้ ย่งสมเด็จโตที่อัลมาเล่ามาเนี่ยท่านมีภาพลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สมเด็จผู้จาร์โตได้สร้างพระองค์ใหญ่ๆหลายองค์เลยพระที่วัดอินวัดเกศชัยโยแม้แต่สร ะ, ะองคชาตีก็มาสร้างสมเด็จโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่แถวเนี่ย แ, แถวปากช่องเนี่ยอันมาก็เคยไปไปกราบมาอันนี้ก็เป็นที่พึ่งทางใจได้แต่ก็นอกตัวนะแต่ถ้าเอาจริงแล้วเราต้องมาเข้าใจธรรมะในตัวเอง จะต้องมาเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวแหละถึงไปที่พึ่งได้ถ้รรมามานอกตัวเน่ยพึ่งไม่ได้จริงๆเพราะอยู่ในกฎของไตายักคือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวันนี้เราอาจจะสุขภาพดีวันต่อไปก็ไม่แน่คนที่รวยอาจจะจนก็ได้คนที่จนอาจจะรวยก็ได้คนที่คนชมอาจจะรนด่าก็ได้เอาอะไรแน่น้อยกับโลกมนุษย์ต่อให้ดีแสนดีก็โดนด่าเรวยังไงก็มีคนชมทันสี่เหล่านี้เป็นที่พึ่งนอกตัว ถ้าเราเอาเป็นเครื่องอยู่เนี่ยเราทุกมหาศาลเลยเพราะแม้ตัวเราเองเนี่ยเรายังไม่สามารถบังคับตัวเองเนี่ยให้เป็นไปนดังใจเราได้เลยบางครั้งเราต้องแก่ทุกวันอย่างคนที่เจอกันบ่อยๆจะไม่รู้ว่าตัวเองแก่หรอกเพราะมันชินไงแต่คนนานๆเจอกันทีเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยร่างกายสังขารจะเสื่อมโซรลงเห็นได้ชัดตีนกาก็ลึกขึ้นผมก็งอกตาก็เริ่มผ้ามัวหูก็ได้ยินไม่ค่อยชัด ความจำก็เสื่อมแข้งขาก็ไม่ค่อยจะมีแรงลุกก็โอยนั่งก็โอยคือความจริงของชีวิตนั่นเราก็ต้องมามาภาวนาสร้างความรู้สึกตัวกันเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรเกียบเวลาสุดท้ายที่ขอให้ย้ายธรรมมีความสุขความเจเริญในธรรมยิ่งขึ้นไปขอจบลงแค่นี้